เอวันนี้ไม่ใช่วันหยุดทำงานทำไมไมีคนมาเยอะไม่ต้องไปทำงานกั น, า น, นลา ง, งานนะมาจากที่ไหนว่าจะกกรุงเทพฯแถวทำงานแถวสนามเต้าอาลีค่ะซอยอาลีค่ะ ทำงานบริษัทและทำงานส่วนตัวงานแบงกรกสิกรอ่อที่มีสำนักงานใหญ่ก่อนเมื่อก่อนอย่างนั้ น, นใช่ไหมวันนี้ลามา ม, มีอะไรอยากจะรู้อยากจะถามหรือเปล่าระอาจารย์ได้ให้คำตอบชัดเจนแล้วค่ะรู้แต่ว่าต้องทำให้มาก นนะะต้องทำอะไรบ้างนะเท่ก็เจเริญสติภาวน า, าทาั้งวันแล้วก็ถ้าเจอผัสสปกะโท ก, ก็ให้ให้ไม่ใช้สติก็ต้องใช้ปัญญาจัดการาาถูกต้องใช้สติก็ไม่ตอบโต้เฉยๆไป อะไรมาสัมผัสทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าใช้ปัญญาได้ก็ปล่อยวางพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังวนาตาไปห้ามขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาทำตามที่เราสั่งบางทีเขาก็ไม่ทำอ้ามแม่ก็ทำบางทีเขาก็ทำ ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้ารู้เฉยๆก็ปล่อยปเป็นเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่เดือดร้อนได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติมาบ้างว่ า, ากา CD ของพระอาจารย์แล้วก็ฟังฟั ง, ฟงเพลงบูไบร์ก่ะแล้วก็อ่านหนังสือปฏบิบัติบ้านเป็นหลักค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้ศึกษาที่ไหนเลยนะอ่านหนังสือลงตาอืแล้วก็หนังสือครูบาอาจารย์ลหลายองค์ค่ะก็หัดทําที่บ้านแล้วก็พอกราบพระอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วก็บางทีก็ถามธรรมะค่ะก็เอาไปใช้ตลอดนะคะอืมตอนนี้ทราบแนวทางแล้ว รู้จักแนวทางการปฏิบัตินะแต่ยังต้องปฏิบัติให้มากขึ้นถ้า mm hmm. ได้นั่งสมาธิได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี mm hmm. เราต้องเข้าใจใเข้าไปสู่ความสงบให้ได้พอ mm hmm. ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีกำลังต่อสู้กับความอยากต่างๆ mm hmm. พยายามเจริญสติเวลาที่เราทำอะไรก็เจริญสติควบคุมใจอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้หรือให้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้เพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเรามีเวลาว่างก็ควรจะนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไป บริกรรมพุโทโธไปพยายามให้จิตดิ่งเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตนี่จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นเหมือนอีกคนจิตที่สงบปฏิจิตที่ไม่สงบนี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินจิตที่สงบนี้มีความหนักแน่นมีความมีพลังมีความเฉยมีความสุข ในตัวเองทำให้ไม่หิวกับความสุขทางอื่นไม่หิวกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็จะทำให้เราไม่วุ่นวายใจความหิวความอยากในสิ่งต่างๆนี่ที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันอยู่ไม่เป็นสุขกันต้องไปท ำ, ทำใน ต้องไปดูนั่นดูนี่ฟังโน่นฟัง น, งนี่แต่ทำมากทาน้อยก็ไม่เคยให้ความอิ่มความพอมีแต่ให้แต่ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับใจเราจะสุขก็ต้องนิ่งสงบปราศจากความอยากออกความอยากขึ้นมาแล้วใจมันจะกะวนกวายกระสับกระส่าย จะหงุดหงิดนำคาญใจแต่พอเราละ ง, งับความอยากได้ใจก็จะนิ่งเฉยสงบเย็ยนสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรโดยที่ไม่ต้องทำอะไรพยายามฝึกจิตควบคุมจิตให้สงบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยสติด้วยปัญญา สติก็จะทําให้ใจสงบได้ปัญญาก็จะทําให้ใจสงบได้สติจะสงบเป็นช่วคราวถ้าปัญญาก็จะ ส, สงบเปียงถาวรปัญญาจะกําจัดตัวที่ทําให้จิตไม่สงบตัวที่ทําให้จิตไม่สงบ ก, ก็คือความอยากต่างๆความหลง ความหลงที่ทำให้เกิดความอยากพอใช้ปัญญาก็จะหายหลงหลงคิดว่าได้สิ่งนั้นมามีสิ่งนี้จะมีความสุขแต่ความจริงมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันจะ ต, ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการสูญไปมีการดับไป เวลาสิ่งที่เราได้มาให้ความสุขกับเราเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาดับไปความสุขนั้นก็หมดไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่ถ้าปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์สู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความไม่ดีดีกว่า ความไม่มีนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเพราะความไม่มีจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความว่างความไม่มีอะไรนี่มันเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าเรามีเราก็ต้องทุกข์กับมันมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นบุคคลนั้นมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีภรรยา น, นปยัมสอนใจให้หยุดความอยากแต่ก่อนจะหยุดความอยากได้ใจต้องมีความสุขมีความอิ่มก่อนต้องทาใจให้สุขให้อิ่มด้วยสมาธิก่อนเมื่อใจมีความสุขมีความอิ่มในตัวก็สามารถสอนใจให้เลิกพึ่งสิ่งต่างๆเลิกหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนเองได้ ก็เรามีความสุขในตัวเราแล้ ว, ลวความสุขอื่นเป็นความสุขปลอมา็เป็นของไม่เที่ยงแท่แน่นอนเป็นของที่จะต้องมีวันเจริญแล้วก็เสื่อมไปเวลาจเจริญก็ให้ความสุขเวลาเสื่อมก็ให้ความทุกข์แต่เราจะไปสั่งให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมทุกสิ่งทุกอย่าง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาอย่างที่พระอญญานกรทัญญาได้เป่งอุทานหลังจากที่ได้บรรลุทำขั้นที่หนึ่งหรือขั้นสโสดาบันว่าธรรมไดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาธรรมเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรของที่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่าง จเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปราบยศสรรเสริญสุขที่เราจเจริญกันเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมไปได้ราบได้เงินทองมาเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องพัฒภาจากกันได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขก็เหมือนกันได้นะเดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดนี่นก็มันทุกข์เวลาเขาจะลดเงินเดือนในสุขก็ทุกข์กัน เวลาขึ้นเงินเดือนนี่ดีใจกันพอเขาขอปรับเงินเดือนลดเงินเดือนก็ทุกข์จังที่เราไปสั่งให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักตายตัวมีขึ้นก็ต้องมีลงมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน มีการเจริญเติบโตแล้วต่อไปก็ต้องมีการเสื่อมมีความชรามีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายตามมาแต่ใจของเรานี่สามารถที่จะอยู่กับความเจริญอยู่กับความเสื่อมของสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่สะทกสะทา้านท่าใจไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปพึ่งเขาไม่ไปอาศัยเขาใจจะไม่อาศัยสิ่งต่างๆได้ใจต้องมีที่พึ่งในใจที่พึ่งในใจที่พึ่งของใจก็คือความสงบถ้ามีความสงบแล้วก็ไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งความสดทางตาหูจมูกลิ่นกายไม่ต้องพึ่งคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกาย มีอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะใจกับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันใจนี้สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ความหลงหลอกให้ใจมาหาความสุขผ่านทางร่างกายกันเพราะไม่รู้ว่ามีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการเจริญสติอันนี้เราไม่รู้กันเราก็เลยมาหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่งกายพาไปหาความสุขต่างๆไปหาข้าวของเงินทองไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพมาให้ความสุขแต่ร่างกายก็เป็นของที่ไม่ถาวรร่างกาย ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลานั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อไม่หาเมื่อไม่ได้ความสุขมันก็ทุกข์แต่ถ้าใจมีความสุขในตัวเองมีความสงบใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ใจก็ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมเราควรที่จะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเปลี่ยนจากการหาความสุขด้วยร่างกายด้วยราภยศสรรเสริญด้วยรูปเสียงเกบลดมาหาความสุขด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมาก เป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากทางร่างกายเราเป็นความสุขที่เราสามารถที่จะรักษาไว้ได้ไม่เสื่อม <Glass> ความสุขใจนี้ไม่เสื่อมถ้าเรารู้จักรักษาถ้าเรามีสติเราสามารถรักษาความสุขได้ตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถรักษาความสุขทางร่างกายได้ตลอดเวลา ต่าให้เราเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมาหาเศรษฐีเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ไปตลอดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมายุติการแก่การเจ็บการตายของร่างกายได้พอร่างกายแก่เจ็บตาย เราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้พอเราไม่หาความสุขเราก็เลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าส้อยงอยหเหงาว้าเว่ซึมเศร้านี่แหละเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน ต่อไปร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้แล้วเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจว้าเหวแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถทำใจให้หยุดคิดได้ทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากร่างกาย แล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปนี่แหละเหตุผลที่พวกเราต้องมาศึกษาวิธีสร้างความสุขรูปแบบใหม่แล้วก็หาเวลามาสร้างมันให้ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้เพราะทุกคนมีสติมีความสามารถที่จะพุโทโธได้ที่จะเจริญสมาธิได้ที่จะเจริญสติได้ อยู่ที่ว่าอยากจะทำหรือไม่ถ้าอยากจะทำแล้วไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งได้ขอให้มีฉันทะความอยากที่จะสร้างสติสร้างสมาธิถ้ามีความอยากแล้วฉันทะน้ำวิริยะจะตามมาความเพียรจะตามมาการที่เราจะอยากได้สมาธิเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสมาธินี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับตัวเราถ้าเรารู้ว่าสมาธินี่ถ้าเปรียบกับเป็นเงินทองนี่มีราคาเป็นหลายแสนล้านอย่างนี้แล้วความสุขที่เราได้จากสมาธิก็เป็นความสุขแบบหลายแสนล้านนย่เราก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีแต่เราไม่รู้กันเราเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี่มันจะ หากินด้วยการกุดคุย้ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนกินเวลามันไปเจอเพชรเจอพลอยมันก็เกลี่ยทิ้งไปเพราะมันกินไม่ได้มันก็เลยไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยพวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่รู้คุณค่าของสมาธิของความสงบกันเราก็เลยไม่มีความขวนขวายไม่มีความอยากได้สมาธิกัน แต่ถ้าเรารู้ว่าสมาธินี้มันมีคุณค่าราคามากกว่าเงินทองแสนล้านเราก็จะเกิดความยินดีเกิดความอยากที่จะได้สมาธิขึ้นมานี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันว่าความสงบของใจนี้เป็นความเป็นเป็นของท่าต้องมาซื้อขายกันนี้ มีราคามากกว่ของทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสุขเท่ากับความสุขที่เราจะได้รับจากการทําใจให้สงบนะี่แหละถ้าเรารู้ว่าสมาธิความสงบของใจนี้เป็นของมีราคาเหมือนกับเทตินจินดานะเราก็จะสอบแสวงหากัน เราก็อยากจะได้สมาธิกันพอ เ, เราอยากได้สมาธิเราก็จะมีความภาคเพียรที่จะสร้างสมาธิกันขึ้นมาใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องการทำสมาธิจะคิดอยู่กับเรื่องการทำสมาธิถ้ามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเดี๋ยวก็ได้สมาธิ เพราะเราจะไม่ไปทำอย่างอื่นมีงานมีการก็ลาออกไปเลยมันขัดกับมันเอาเวลาของการมันเจริญสติไปถ้าเรารู้ว่าผลตอบแทนที่ได้จากการทำสมาธินี้ดีกว่าการไปทำงานแล้วเรื่องอะไรเราไปทำงานทำไมทำงานได้เงินเดือนมาเดือนละแสนสองแสนล้านสองล้าน แต่สมาธินี้มันมีราคาเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเรื่องอะไรจะไปเอากับไอ้เงินเดือนแค่ล้านสองล้านอันนี้พูดตามความจริงนะสมาธินี่มันถ้าต้องซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันราคาเป็นแสนล้านเนี่ยเพราะมันถ้าซื้อขายกันได้เศรษฐีเขาก็สบายกันละซื้อสมาธิได้โอ้โห ซื้อความสุขของสมาธินี้แต่มันซื้อไม่ได้นั่นเองเงินของที่ทุกคนต้องผลิตกันขึ้นมาเองสร้างกันขึ้นมาเองทุกคนสามารถผลิตได้สร้างได้เพราะทุกคนมีมีเครื่องมือที่จะสร้างคือสติเพียงแต่ว่าเราไม่มาสร้างกันเราไม่มาใช้สติสร้างสมาธิกันเราใช้สติไปสร้างราบยศสรรเสริญกัน แตื่นขึ้นมาก็ไปหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเอ้นกายกันเราก็ไล้ได้ทั้งสุขและได้ทั้งทุกข์เพราะว่ามันเป็นของที่มาคู่กันความสุขในโลกนี้มันเป็นมันมีความทุกข์ติดตัวมาด้วยเหมือนกับการซื้อของนี่มันมีแหวน ต, ตามมาด้วยซื้อของเราต้องจ่ายแหวนอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต อันนี้ก็เหมือนกันซื้อความสุขทางโลกนี้ก็ต้องจ่ายแหวนแต่แหวนนี้มันร้อยเปอร์เซน์มันไม่ใช่มันไม่แค่เจ็ดเปอร์เซนต์มันสุขกับทุกเนี้มันพอๆกันพอได้สุขมาแล้วเดี๋ยวพอสุขหมดก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมานันการที่เราไปหาความสุขจากลาบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เท่ากับการไปหาความทุกข์ด้วย เพราะเราต้องจ่ายภาษีจ่ายจ่ายเข้าแบตเข้าแบตเนไม่ใช่เจ็ดเปอร์เซนหนึ่งเท่านี้ไม่ดีหนักกว่าของที่เราได้มาสิได้ความสุขมาร้อยบาทอาจจะต้องจ่ายด้วยความทุกข้าร้อยบาทถ้าเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราลักไปนี่เป็นยังไงเวลาที่เราได้รักได้ความสุขจากสิ่งที่เราเรารักเราชอบ อาจจะเป็นร้อยบาทเนี่ยแต่เวลาเสียไปนี่ความทุกข์นี่มันร้อยบาทหรือปล่าหรือมันห้าร้อยบาทเนี่ยเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เรามองไม่เห็นกันมองไม่เห็นว่าเรากาลังหาความทุกข์กันเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะมองไกลๆเรามองแค่สั้นๆ มองแค่สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราปัจจุบันทนดวนพอได้มาปุ๊บก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีแต่ไม่คิดว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันหมดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นเราไม่มองกันไม่มองตอนที่จะต้องเสียภาษีย้อนหลังกัน ดีใจเวลาซื้ได้เะไรมาดีใจเกิดเขามาเก็บภาษีย้อนหลังมากกว่าของราคาที่เราได้มาเนี่ยแล้วเราอยากจะได้ไหมได้ของราคาร้านหนึ่งมาแต่ต้องมาเสียจ่ายภาษีย้อนหลังสองร้านนี้ขาดทุนนะถ้ารู้ว่าต้องจ่ายภาษีย้อนหลังไม่ไม่ไม่อยากได้นะถ้าญาติโยมถวายเงินมาแล้วต้องไปจ่ายภาษีย้อนหลังยังไม่เอาดีกว่า <_ d ream> ใช่ไมอ่านั่และความสุขที่เราได้มาก็แบบนั้นอ่ะความทุกข์ที่เราจะต้องรับต่อต่อต่อไปหลังจากที่ความสุขที่เราได้มามันเสื่อมหมดไปมันเป็นเหมืนภาษีย้อนหลังที่เราต้องจ่ายสองเท่าสามเท่าของความสุขที่เราได้รับมาเพราะฉะนั้นการหาความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิก่น ความสุขจากลาบยศสนะเสน่มันได้ไม่คุ้มเสียซึ้หาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าอันนี้ไม่มีภาษีย้อนหลังมีมีแต่ดอกเบีย้ยสมทบไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเอาเงินไปฝากในธนาคารยิ่งสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนเป็นสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดคือพระนิพพานพระนิพพานนี้คือเป็นความสงบที่สุดยอดความสงบที่ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสงบที่เราได้จากสติยังมีวันเสื่อมได้ถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่ใช้สติถ้าเราปล่อยให้ความอยากเข้ามาทำลายความสงบได้จากสติ ก็จะหายไปได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะสามารถรักษาความสงบที่เราได้จากการสร้างด้วยสตินี้ให้มันอยู่กับเราไปอย่างถาวรได้เพราะปัญญาจะคอยกําจัดความอยากต่างๆที่จะมาทําลายความสงบหรอดังนั้นเราถึงต้องมีสองอย่างมีทั้งสติมีทั้งปัญญา เรื่องต้นเราเอาปัเอาสติก่อนทำสองอย่างพร้อมกันไม่ไหวมันมันมากเกินไปมันยากเกินไปเอาทีละอย่างเอาทีละขั้นรพระพุทธเจ้าสอนส ม, มถะภาวนาก่อนเมื่อได้ส ม, มถะภาวนาวค่อยไปวิปัสสนาภาวนาส ม, มถะภาวนาก็ทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ไปวิปัสสนาภาวนา สร้างความรู้เพื่อที่จะมาปกป้องความสงบที่ได้จากสมถธิภาวนาไม่ให้เสื่อมไม่ให้หมดไปด้วยการใช้วิปัสสนาที่คอยทําลายสิ่งที่จะมาทําลายความสงบสิ่งที่จะมาทําลายความสงบก็คือความอยากต่างๆนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นเวลาเรานั่งสมาธิใจเราสงบมีความสุข แต่เดี๋ยวเราก็ต้องออกจากสมาธิมาพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็ร่างกายก็บอกว่าหิวน้ำทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีปัญญาหรือ ไ, ไม่มีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญากิเลสมันก็จะบอกให้เราไปหาน้ำชากาแฟดื่มแทนแต่ถ้าเรามีปัญญาก็บอกเอร่างกายมันไม่ต้องการน้ำชากาแฟร่างกายมันต้องการน้ำเปล่าดื่มน้ำเปล่า ถ้าถึงน้ำเปล่ามันก็ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มเพื่อให้ร่างกายมีน้ําหล่อเลี้ยงแต่ถ้ามันโง่มันไม่ฉลาดถูกความอยากหลอกมันก็ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของน้ําชากาแฟมันก็จะไปเลือกดื่มน้ําชากาแฟแทนพอดื่มน้ําชากาแฟมันก็ติดเลยพอดื่มล้วก็เดื่มอยู่เรื่อยๆอยากอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลาไม่มีน้ําชากาแฟให้ดืม่มก็จะทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าดื่มน้ำเปล่านี่มันมีน้ำเปล่าให้ดื่มเรื่อยๆไปอยู่ที่ไหนก็มีน้ำเปล่าให้ดื่มแต่น้ำชากาแฟนี่มันมีวันที่อาจจะไม่มีให้เราดื่มก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างเวลาออกจากสมาธิแล้วความอยากมันเนี้ยเมื่อที่ยังไม่ได้ถูกปัญญากำจัดมันก็จะโผล่ขึ้นมามาหลอกมาล่อให้เราไปอยากดูอยา ก, ยากฟัง เราก็ต้องบอกว่าสอนใจว่าการไปทําตามความอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็สู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้คนละระดับกันแล้วก็ความสุขที่ได้จากการทําตามความอย่างก็ไม่เที่ยงด้วยเดี๋ยวก็หมดพอหมดความสุขหมดความทุกข์ก็ผล่ขึ้นมาแทนที่ นี่คือปัญญาที่เราต้องหมั่นสอนใจให้รู้ว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นความอยากในลาบยศสรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปนั้นเรายับยั้งไม่ทําตามความอยากดีกว่าเรากลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่า ฝืนความอยากไปอยู่กับความสงบของสมาธิไปแล้วต่อไปความอยากถ้าไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะหมดกำลังไปแล้วต่อไปมันจะไม่อยากดื่มน้ำชากาแฟไม่อยากดูอยากฟังอะไรเพราะมันสู้ความสงบที่เรามีอยู่ไม่ได้สู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้เมื่อไม่มีความอยากเราใจเราก็จะสงบไปตลอด สุขไปตลอดไม่ต้องทำอะไรต่อไปนี่คือท่านของปัญญาจะนำไปสู่ความสุขสงบที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเรียกว่าพนานิพานเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหคาความสุขแล้วพราร่างกายนี้แก่เจ็บตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ พอเราไม่ได้ใช้มันแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือใจของพระพระเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านยังอยู่เหมือนกับใจของเราอยู่ในโลกเท็จด้วยกันแต่อยู่คนละฝ้า ก, กัน อยู่ในฟาสกสงบเราอยู่ในฟากคลั่วุ่นวายอยู่ในฟากของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในฟากของความอยากของความโลภความโกรธความหลงต่างกันแค่ตรงนี้เองใจของท่านกับใจของเราไม่มีวันตายแต่ใจของท่านน ไ, ได้ข้ามฟากไปแล้วเหมือนเราอยู่ฝั่งกรุงเทพเรานั่งเรือข้ามฟาไปอยู่ฝั่งทนอยู่คนละฟากนิพพานอยู่อีกฟากหนึ่งของ ภาที่เราอยู่กันภาคที่เราอยู่นี่เรียกว่าสังสารวัฏภาที่มีการเวียนว่าตายเกิดมีพบน้อยพบใหญ่มีสวรรค์มีนรกมีอบายมีอะไรต่างๆแต่ภากของพระพุทธเจ้าภาของพระอรหันต์มีแต่นิพพานมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขเป็นอย่างเดียวการที่เราจะลายสติ การที่เรามาเจริญสมมาทัปพนาวิปัสสนาพวน า, า, วนาเหมือนกับเรากำลังว่ายน้าข้ามฟากกันข้ามจากฟากนี้ไปสู่ฝากนูน้นข้ามจากฟากของการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ฟากที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดฟากที่ไม่มีการแก่การเกิดการตายดังนั้นถ้าเราไม่ทำเราก็ข้ามฟากไม่ได้ เพราะไม่มีใครจะมาไหว้น้ำแทนเราได้เราต้องเป็นคนไว่ว้น้ำข้างฝากเองด้วยการเจริญสติจเจริญสมถภ า, าวนาจเจริญปัญญาจเจริญวิปัสสนาภาวนาก่อนที่เราจะมาจะเจริญภาวนาได้เราก็ต้องมีศีลเป็นตัวหลึงใจเราให้ออกจากกิจกรรมต่างๆ ถ้าเราเถือศีลแปดเราก็ต้องมะงับกิจกรรมทางร่างกายไปจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปกินข้าวเย็นก็ไม่ได้จะไปงานเลี้ยงก็ไม่ได้จะไปดูละครไปดูภาพยนตร์จะไปตามแหล่งบังเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้จะไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไปไม่ได้นี่คือหน้าที่ของศีลดึงให้เราออกจากกิจกรรมต่างๆ พอถ้าเราไม่ออกจากกิจกรรมเราก็จะไม่มีเวลามาไหว้น้ำข้ามฟากกันเราก็จะไปมัวทำกิจกรรมนั้นกับกิจกรรมนี้กับคนนั้นกับคนนี้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้มันมีกิจกรรมให้เราทาอยู่เรื่อยๆไม่มีเราก็หากันบางทีอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรดูหนังดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าจิตใจมันจะหาแต่ของเหล่านี้ ถ้าเราไม่มาถือศีลแปดกันมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้งมอนได้พอเราถือศีลแปดเราก็ไปไหนไม่ได้นะอยู่บ้านหรือไปอยู่วัดนะไปอยู่ที่สงบไปไว่ายน้ำข้ามฟ้าไปเจริญสมถะไปเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วก่อนที่เราจะมารักษาศีลได้เราก็ต้องเลิกใช้เงินเลิกหาเงิน ถ้าเรายังใช้เงินไปเที่ยวไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราก็ยังต้องไปทำงานเพื่อหาเงินมาเราก็จะไม่มีเวลามารักษาสีลได้เพราะว่าเราไม่มีเราจะต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองพอได้เงินทองมาถ้าเราไม่ามารักษาสีลเราก็จะไปเที่ยวกันดันั้นเราก็ต้องเลิกเลกใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ ให้เงินทางซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มพอเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องหาหยุดได้หยุดทำงานแล้วเราก็มาหยุดกิจกรรมทางร่างกายมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันเรียกว่ามาสมมาทัวนามาวิปัสสนาาวนา มาว่ายน้ำข้ามฟากกันวายน้ำข้ามฟากจากสังสารวัตไปสู่ฟากของพระนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกพระลานตาะพระลานตาสาวกกับพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านก็อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งที่เราอยู่กันแต่พอท่านได้รับความรู้ว่าฝั่งที่เราอยู่นี้เป็นฝั่งที่มีแต่ความทุกข์ฝั่งที่ อยู่อีกฟากหนึ่งนี่เป็นฝั่งที่มีแต่ความสุขนะท่านก็เลยเกิดความอยากที่จะไปอยู่อีกฟากนึงท่านก็เลยยอมลงน้ำยอมว่ายน้ำถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยจะยากลาบากอย่างไรอาจจะจมน้ำตายกลางทางท่านก็ยอมขอให้ไปตายฟากไปตายดาบหน้าดีกว่าเพราะฟากที่อยู่นี้มันมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาทุกเพราะความเกิด ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะการพัาผ่าจากกันมีแต่ความทุกขนะ์การมาเกิดกี่รอบก็ต้องมาเจอความทุกข์แบบเดิมเดินไปทุกทุกรอบไปแล้วก็หยุดมันไม่ได้จะหยุดมันก็ต้องไหว้น้ำข้างฟากทั้งนี้ต้องไม่อยู่ฟากนี้ถ้าอยู่ฟางนี้มันก็จะพาให้เราเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะไม่เกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไหว้น้ำข้ามฝากต้องทำทานสละเงินทองหยุดใช้เงินทองคำว่าทานก็คือเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆใช้เงินทองซื้อแต่ของจำเป็นเท่านั้นเมื่อเราใช้ของจำเป็นซื้อแต่ของจำเป็นก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้มากเมื่อไม่ต้องใช้มากก็ไม่ต้องหามากเมื่อไม่หามากก็จะมีเวลาที่จะมา บำเพ็ญมารักษาศีลแปดมาบวชมาวหวยน้าข้ามฝากได้นี่คือหน้าที่ของทานของศีลเพื่อเปิดทางให้เราได้เข้ามาสู่การวหว้น้ากันมาวหาน้าข้ามฟากมาภาวนาสัมมถทัศภาวนาวิปัสสนาภาวนาถ้าเราได้ภาวนาแล้วเดี๋ยวเราก็จะวหว้ถึงฟาพระนิพพาน พระพุทธเจ้าภาษาวกทุกคนก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันไม่มีใครทำแบบอื่นได้ไม่มีใครบินข้ามได้ไม่มีใครนึกเฉยๆแล้วก็ไปถึงได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมาทำแบบที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายทำกันต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลิกหาทรัพย์เลิกใช้ทรัพย์เราจะได้มีเวลามาภาวนา ย, ยุตธิการทากิจกรรมต่างๆทางร่างกายยุตธิการหาความสุขผ่านทางร่างกายโดยการมาถือศีลแปกันสินแปดสินสิบสินส้ี่2ิเนี่เป็นสีลที่จะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางร่างกายไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายให้มาหาความสุขทางใจโดยการเรียนสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนา ทีลักขั้นต้องสมม า, า, ามารถถะภาวนาก่อนเพื่อให้มีความสุขในใจก่อนเมื่อมีความสุขในใจก็สอนใจให้เลิกหาความสุขทางอื่นเสียเอาความสุขทางในใจทงเดียวพอและเป็นความสุขที่เลือที่วิเศษกว่าความสุขทั้งหลายทำไมต้องสอนใจเพราเวลาออกจากสมาธิมานี่มันจะลืมลืมความสุขที่ได้จากในใจพอมันเห็นอะไรที่เคยชอบเคย เ ค, เคยอยากมันก็จะชอบจะอยากขึ้นมาทันทีเลยต้องใช้ปัญญาคอยสอนคอยท่ามใจว่าอยากไปอยากอยากไปชอบเพราะว่ามันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาแล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องกลับมาเกิดมาแก่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆมันต้องเตือนใจไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมลืมความสุขที่ได้จากความสงบ พอใช้ปัญญาเตืงนใจมันก็จะฝืนความอยากจะสู้กับความอยากพอมันไม่ทาตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่มาอยากมันไม่จะมาหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปเห็นอะไรก็จะเฉยเห็นน้ำชากาแฟก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยไ ม, ไม่เดือดร้อน ม, มีไม่มีไม่เดือดร้อนเห็นร่างกายก็เฉย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตานก็เฉยเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเพราะเรามีความสุขในใจเราความสุขของพระนิพพานความสุขที่ไม่มีความอยากเพราะไม่มีใจไม่มีความอยากความสงบที่ได้จากการเจริญสติก็จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรต่อไป อังนั้นเราต้องพยายามมาปฏิบัติกันให้ได้นถ้าไม่ปฏิบัติต่อให้ฟังทำไปอีกสิบปีอีกร้อยปีก็ไม่ไม่ได้ผลที่เราต้องการเพราะผลนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติแต่การฟังก็สําคัญถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรจะทําอะไรตอนนี้ฟังแล้วรู้แล้วเมื่อกี้ถามแล้วก็ได้คําตอบแล้วว่าจะต้องปฏิบัติให้มากขึ้น ทนี้ก็ต้องต้องหาเวลาเวลาตอนนี้ถ้าเราเอาไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นเราก็ต้องตัดมันลง่เช่นเรายังต้องทํางานอยู่เราก็อาจจะหาวิธีทําให้น้อยลงวิธีจะทําให้น้อยลงก็คือใช้เงินให้น้อยลงอย่าไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ามีอยู่พอใช้ก็ยังพอแล้วก็อยากไปซื้อมัน อยากไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องรู้สักต้องห้ามจิตใจให้ใช้เงินน้อยลงไปใหม่ๆ ม, มันก็จะรู้สึกทุกข์เพราะ่มันเคยชินเป็นนิสัยเคยเที่ยว<ม>เคยใช้เงินทองพอต้องมาห้ามไม่ให้มันใช้ให้มันอยู่บ้านเฉยๆมันจะรู้สึกหดหิ่เจ้าซ้อยห้อยเหงาก็เอาเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเนี้ยมาจเจริญสมถะภาวนาน เราต้องการปฏิบัติให้มากขึ้นไม่ใช่หรเมื่อเมื่อเราไม่ไปเที่ยวเราก็มีเวลามาปฏิบัติเราก็เอาเวลาที่เราไปเที่ยวนี้มาปฏิบัติแทนมาหาความสุขอีกแบบหนึ่งการที่จะหาความสุขจากการไปเที่ยวก็มาหาความสุขจากการมาทําใจให้สงบมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยได้ผลและมันอาจจะรู้สึก ห, ห, ห, หงุดหงิดเศ้าสร้อยง่วงเงา ก็ต้องใช้ขันเตะความอดท น, นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนระบบเราเคยใช้มือขวาแล้ว เ, เกิดมือขวามันเสียต้องมาเหลือมือซ้ายก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายเวลาหัดใช้มือซ้ายใหม่ๆมันก็จะรู้สึกยากลาบากแต่มันมีมือเดียวจะทำไงได้พอหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะใช้ได้เหมือนกับใช้มือขวา คนคนไม่มีมือนี่ใช้เท้าก็มีก็ยเห็นคนหนึ่งเขาใช้เท้าวาดภาพสวยกับเราใช้มือวาด เ, เพราะเขาก็ใช้การฝึกฝนอบรมหัดใช้ไปเรื่อยๆ เ, เท้ามันก็สามารถใช้แทนมือได้เพราะผู้ที่วาดไม่ได้เป็นมือซ้ายมือขวาหรือเท้าซ้ายเท้าขวาผู้ที่วาดก็คือจิตนี่แหละเพียงแต่ว่าจิตต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ เป็นตัวว่าอีกทีนที่เคยใช้มือขวามันก็จะถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆแต่พอมือขวาเสียก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายแทนเดี๋ยวใช้เป็นสักพักก็ใช้ได้เหมือนกับใช้มือขวารา่งั้นคนถนัดมือซ้ายก็ทำไมก็ใช้ได้เหมือนกับคนที่ถนัดมือขวาเพะเพราะว่ามันมันอยู่ที่ความถนัดเท่านั้นมือซ้ายกับมือขวามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเองแต่ว่ามันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาเท่านั้นเอง อันนี้ก็เหมือนกันเราเคยหาความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายพอเราต้องเลิกหาหยุดหามันก็จะรู้สึกไม่ไม่คล่องแคล่วว่องไวไม่ไม่สบายไม่สะดวกเหมือนกับการหาความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายตอนเราเริ่มใหม่ๆมาฝึกสติใหม่ๆมันก็ลุกก็เคอะเขินเหมือนกับคนที่หัดเดินหรือหัดใช้มือมือซ้ายถ้าเคยถนัดมือขวา แล้วต้องมาหัดใช้มือซ้ายมันก็จะรู้สึกมันมันติดขัดยังไงไปแต่หัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชำานาญเองหัดไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆอดทนไปเรื่อยๆพยายามมันจริญสติเรื่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆเอาจิตรวมให้ได้จิตรวมแล้วทีนี้ก็จะถนัดแล้วทีนี้ก็จะมีความสุขแล้วทีนี้จะไม่อยากไปทำอะไรแล้ว อยากจะนั่งสมาธิอยากจะมีความสงบอย่างเดียวนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องพันฝ่าอุปสรรคการเปลี่ยนระบบนี่มันก็มันรู้สึกยากเย็นแต่มันพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็จะดีกว่าเหมือนเราสมัยก่อนที่ต้องเปลี่ยนระบบคอมอยู<ๆ>เย่เรืเดี๋ยววินโดวรุ่นใหม่ออกมาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ก็ต้องมาหัดใหม่มาเรียนใหม่ แต่ระบบใหม่มันดีกว่าระบบเก่ามันทำงานได้สะดวกกว่าทำละ ง, งานได้มากกว่าได้เร็วกว่าฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนระบบการหาความสุขของเราจากการใช้ร่างกายหาความสุขมาใช้ธรรมะหาความสุขแทนมาใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุขแทนเราต่อไปเราก็จะได้สบายเพราะระบบนี้เป็นระบบทาวล เปลนหนเดียวแล้วต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วแต่ถ้าใช้ระบบเดิมนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวร่างกายแก่เจ็บตายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาฝึกใหม่มาหัดใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนระบบมาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วซึ่งเอาระบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนนี่เ่าระบบของพระพุทธเจ้าเพอได้ระบบนี้แล้วก็จะได้ ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบไม่มีความทุกข์เพราะไม่ต้องเปลี่ยนระบบที่ทุกข์กันเพราะต้องเปลี่ยนระบบเวลาเราตายนี่ก็เหมือนกับเราไปเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนเครื่องคอมเครื่องคอมเครื่องเก่าพังแนละ้วก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องคอมเครื่องใหม่ก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องหัดใช้ร่างกายอันใหม่กว่าจะโตขึ้นมานี่แบบยี่สิบปี หัดมันสอนมันให้ใหเดินให้ยืนให้นั่งให้วิ่งให้กินให้ทำอะไรต่างๆแล้วก็มาใช้มันทำงานต่างๆหาความสุขต่างๆหาได้บ้างหาไม่ได้บ้างหาได้ก็สุขหาไม่ได้ก็ทุกข์แล้วในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปวิธีที่เรากำลังหาอยู่นี้เป็นวิธีที่จะต้องเจอความทุกข์ตลอดเวลา ทุกมากทุกน้อยอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาบางชาติเกิดมาทุกน้อยเพราะว่าหาเงินได้เยอะหาเงินได้สะดวกหรือไม่ต้องหามีคนหาให้เลยมีคนมีพ่อมีแม่หามาให้แต่เวลาก็ใช้อย่างเดียวบางพบบางชาติกลับมาเกิดกับพ่อแม่ยากจนก็ต้องลำบากต้องหา เงินหาทองเองต้องดิ้นรนหาที่เรียนหาอะไรเองพ่อแม่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียอันนี้ก็ทุกข์มากหน่อยแต่ไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนระดับไหนมันก็แค่ชั่วคราวแค่ร้อยปีมันก็จบตายไปก็กลับมาก็ต้องหาอะไรมาได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องทิ้งมันไปหมดแล้วก็กลับมาหาใหม่เริ่มต้นใหม่ นี่เกิดระบบที่เรากําลังใช้กันอยู่มันจะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปเวลาทุกข์นี่ก็โหยแสนที่จะสาหัสสากัรกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกสากรกระวนกวายบางทีก็ซึมเศร้าเศร้าซ้อยหงอยเหง า, ว, าว้าเวบางทีก็นึกอยากจะข้าตัวตายนี่แหละคือความทุกข์ของระบบที่เรากําลังใช้กันอยู่ ถาเราเปลี่ยนระบบมาใช้ระบบของพระมุตจ้างนี้อพอเปลี่ยนระบบได้สาเร็จแล้วทีนี้สบายแต่ช่วงเปลี่ยนนี้มันก็ต้องทรมานหน่อยช่วงที่จะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปช่วงที่ต้องสละความสุขทั้งตาหูจมูกนิ้นกายไปอยู่วัดไปถือศีลไปบวชกันโจงนั้นมันก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทุกข์ภายในใจเพราะว่าไม่เคย เคยหาความสุขแล้วต้องหยุดไม่หาความสุขให้มาหาความสุขระบบใหม่ก็ยังหาไม่ได้ก็ยังฝึกขาดอยู่ยังพุโทโธพุโทโธไปแล้งเดี๋ยวก็เผลอไปยังสมาธิยังไม่สงบแต่ถ้าพยายามฟันฝ่าอุปสรรคพยายามทำไปเรื่อยๆจเจริญสติไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะสงบเอง นี้พอสงบแล้วที่นี้มันรู้แล้วอ๋อนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการใช้ระบบใหม่นี่มันพอได้ความสงบแล้วที่นี้มันก็จะมีแรงมีกําลังใจที่จะปฏิบัติตลอดเวลาที่จะเจริญสติตลอดเวลาที่จะนั่งสมาธิมากๆจนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็อยากจะรักษามัน เวลาออกจากสมาธิมาไม่อยากให้มันหายก็ค้นคว้าดูว่าอะไรที่ทำให้มันหายไอตัวที่ทำให้มันหายก็คือความอยากนี่แหละก็ยต้องใช้ปัญญามาสอนวะ่าการทำตามความอยากก็กลับไปทำระบบเดิมกลับไปเจอความทุกข์แบบเดิมถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์แบบเดิมก็อยากกลับไปใช้ระบบเดิมให้เลิกใช้ พอเราเลิกใช้ระบบความอยากจะใช้ระบบเดิ่มได้พอเลิกหาความสุขตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังมันก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เราไปกลับไปใช้ระบบเก่าพอไม่มีอะไรมาดึงใจเราใจเราก็จะสงบไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่อยู่ข้างนอกก็สงบนี่แหละเป็นความทั้งหมดของพระนิพพานไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่อยู่แบบนี้ เราอยู่แบบนีสุขพวกเราอยู่แบบนี้แต่อยู่แบบไม่สุขกันเดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็อยากดื่มนั่นอยากอยากกินนั่นกินนี่อยากดูนั่นอยู่นี่ตลอดเวลาแต่จิตที่ไม่มีความอยากมันก็จะเฉยๆไปตลอดเวลามีความสุขไปตลอดเวลามีความอิ่มไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิพระพุทธเจ้าพระสาวก นี่ท่านไม่ต้องไปเจริญสมาธิแล้วนั่งสมาธิแล้วไม่ต้องเข้าฌานแล้วหลังจากที่ท่านถึงพระนิพพานเนียเพราะมันเท่ากันเข้าหรือไม่เข้า ม, มันก็เท่ากันได้ความสุขเหมือนกันเพียงแต่อยู่ตามลําพังไม่ต้องใช้ความคิดถ้ายัางใช้ความคิดมันก็ทำให้จิตเหนื่อยได้แต่บางทีก็ต้องใช้เพราะยังต้องเกี่ยวข้องกันพระพุทธเจ้าก็ยังต้องสั่งสอนคนนั้นคนนี้ทา บริหารศาสนาอะไรต่างๆก็ยังต้องใช้ความคิดบางทีเหนื่อยก็หลบไปอยู่คนเดียวเพื่อพักจิตพักความคิดเก็มีเท่านั้นเรื่องของจิตใจเรามีเพียงเท่านี้ถ้าเราไม่ไปหาระบบใหม่นี้เราก็ต้องใช้ระบบเก่าไปเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปต้องเจอความทุกต่อไปอมไม่มีวันสิ้นสุด เราให้กลับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นประธานาธิบดีมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันมันก็ต้องทุกข์เหมือนกันอาจจะทุกข์ย้อยทุกข์มากต่างกันไปเท่านั้นเองแต่มันก็ยังต้องเจอความทุกข์กันอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนระบบไปอยู่อีกภากหนึ่งข้ามภากไปไปอยู่ภากพระนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นระบบที่ท้าวร ระบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนระบบที่จะให้แต่ความสุขเพียงเดียวไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษาให้รู้กันรู้จักระบบใหม่รู้จักวิธีสร้างระบบใหม่นี้สร้างอย่างไรพอดูแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติกันวิธีสร้างก็คือลดการใช้เงินให้น้อยลงไปเพื่อจะได้ ไม่ต้องไปหาเงินเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างระบบใหม่มาเปลี่ยนระบบใหม่กันระบบใหม่นี้ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาทำใจให้สงบกันถ้าเราไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หยุดการหาเงินหยุดการใช้เงินเราก็จะไม่มีเวลามาจเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานปีหนึ่งใครมาทำได้สักกี่วัน มแต่ไปทำงานทั้งทั้งปีเลยก็ อ, อาจจะให้ปีหนึ่งหยุดพักร้อนสักเจ็วันหรือบางช่วงมีวันหยุดหลายวันหน่อยก็มีเท่านั้นถ้ายังต้องทำงานหาเงินอยู่ก็ อ, อย่าไปหวังการที่เราจะว่ายน้ำข้ามฟากไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาจะว่ายว่ายไปได้เพลยงไม่กี่ร้อยไม่ก็ต้องว่ายกลับนะพอหมดเวลาต้องไปทำงานต่อ ยังถ้าลาออกจากงานได้ลาไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาทามํางานอ่าไม่งั้นต้องกลับมาทํางานอยู่เรื่อยๆลาออกจากงานลาออกจากครอบครัวลาออกจากทุกคนขอไปบวชอยู่คนเดียวแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ลาออกจากงานลาออกจากการเป็นพระราชโอรสลาออกจากการเป็นพระสวามีลาออกจากการเป็นพระราชนีดา แล้วก็ไปอยู่คนเดียวในป่าไปศึกษาวิธีว่ายน้ำข้ามฝากเพอท่านไม่ต้องมีกิจกรรมร่วมกับคนอื่นท่านก็มีเวลามาว่ายน้ำข้ามฝากว่ายเพียงหกปีก็ถึงนล้วและการว่ายของพระเจ้านี่ยากกว่าของคนอื่นเพราะไม่รู้ว่าจะว่ายแบบไหนวิธีว่ายว่ายัางไงเพราะไม่มีใครสอนรื่เรลานี่ง่ายกว่าพระเจ้าหลาย หลายล้านเท่าเพราะเรามีคนสอนแต่เรากลับไปไม่ถึงเหมือนกับพระพุทธเจ้าเพราะเรายังไม่เห็นคุณค่าของการไปสู่ฟากพระนิพพานว่ามันดีอย่างไรนั่นเองถ้าเรารู้ว่ามันดีอย่างไรมันดีกับสิ่งที่เราไม่อยู่สภาพที่เราเป็นอยู่นี่เราก็ยินดีไป ท, ทันทีแต่เราไม่รู้กันเราไม่มองกันเราถูกความหลงหลอกว่าเรากำลังมีความสุขกัน แต่ความจริงมันเป็นความสุขแบบของนักโทษที่อยู่ในคุกนะมันก็ยังติดคุกอยู่ยังติดคุกของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ถึง แ, แม้จะเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขในกรอบเล็กๆสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาแก่เจ็บตายใหม่สู้<ม>เอาสุขแบบพระพุทธเจ้าสุขแบบนอกคุกดีกว่ า, าก็ต้องหนีออกจากคุกให้ได้เหมือนกับ การเนียวจากคุกก็คือการว่ายน้ำข้ามฟากเนี่ยก็ต้องมีเวลามาปีนป่ายข้ามข้ามกำแพงหมันก็ต้องขุดอุโมงลอดใต้กำแพงออกไปถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีวันที่จะเล็ดลอดออกจากคุบตารานได้ดันั้นถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่กับกิจกรรมทางร่างกายเราก็จะไม่มีวันที่จะข้ามฟากไปสู่พานิพนานได้ ถ้าราอยากจะข้ามฝ้าไปสู่พระนิพพานาเราก็ต้องหยุดทํากิจกรรมต่างๆที่เรากําลังทํากันอยู่แล้วก็จะได้มีเวลามาไหว้น้ําข้ามฟากกันมาเจริญวิปัสสนาไม่เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนากันถ้าได้เจริญแล้วพระพุทธเจ้าบอกเลยเจ็ดวันก็ได้ถ้าขยันทําแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนนเจ็ดวันก็ได้บางคนก็ช้าหน่อยก็เจดเดือน บางคนถ้าช้ากว่านี้ก็เจ็ดปีแต่รับรองได้ว่าต้องสำเร็จภายในชาตินี้แน่นอนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปฉะงนั้นขอให้เรามองเห็นคุณค่าของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดว่าเราจะได้รับความสุขที่เป็นบรมสุขนิพพานังปละมังสุขขังที่ไม่มีในโลกนี้ที่ไม่มีอยู่ในฟางนี้เพราะในฟางนี้มีแต่ปลมังทุกขขัง มีแต่บรมมาทุกขกันเวลาทราบซบเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักเป็นยังไงบรมมาสุขและบรมมาทุกข์กันนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องพบกันจะต้องได้กันเลถ้าเรายังอยู่ฟากนี้อยู่แต่ถ้าเราทิ้งฟากนี้ไปได้ข้ามไปสู่ฟากนั้นได้เราก็จะเจอแต่บัมาสุขบัลลุมมาสุขส ข, ขังอันนั้ก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาขอให้พยายาม ศึกษาเพื่อสร้างศรัทธาสร้างวิริยะให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดศรัทธาเกิดวิริยะแล้วเดี๋ยวก็ไปได้ก็ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาิวาหาปุราปริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปก ป, ปติ อิจิตางปัติตังตุมหังคิดป้เมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามะิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัปปโรโววินัสตุมาเตปวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาธนสีลิตะนิจังวุธาปัจจายโนจตารโธรรมาวะทาติอายุวันโสุขามภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเ e b o o k Facebook สูงสุดสาร้อยเก้าสเ็ค่ะาเกาเอดทางยู 1> 1. ท, 108ทูบหนึ่งร้อยแปดเอายูทูข้ามร้อยแล้วเลยวันนี้ ตอนแรกที่ได้ยินว่าร้อยร้อยแปดร้อยค่าเกินร้อยคำถามจากคุณลาวันค่ะดิฉันเคยได้ยินว่าบวชอยู่กับบ้านเป็นไปได้ไหมคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศค่ะได้การบวชเนบวชที่กายวาจาใจสถานที่เป็นเพียงแต่ที่เสริมหรือที่ถว่วกการพัฒนาท่านั้นเองถ้าเราอยู่ที่สงบไม่มีใครมารบกวนใจ มันก็จะทำให้การบวชของเราเจริญถ้าเราบวชแล้วเราไปอยู่ที่มีเรื่องที่มาลอกกิเลสตัณหาทำให้เราผิดศีลผิดผิดข้อปฏิบัติของนักบวชมันก็ทำให้เราถ่วงความเจริญของการบวชของเราดังนั้นบวชที่ไหนก็ได้แต่มันมีที่ที่ดีและที่ไม่ดีที่ดีก็คือ ที่สงบแล้วก็มีที่มีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนอย่างนั้นดีที่สุดแต่ถ้าไม่สมัยนี้ไม่มีครูอาจารย์ก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช้หนังสือใช้การฟังเทศฟังธรรมถ่ายทอดสดอย่างที่ดูอย่างตอนนี้เป็นอาจารย์ก็ได้และก็สําคัญขอให้มีที่สงบแล้วถ้ามีที่ที่คนปฏิบัตริร่วมกันปฏิบัติเก่งกว่าเราได้ยิ่งดีเพราะเราจะได้อาศัยเขา เหมือนนักเรียนที่เรียนไม่เก่งถ้าไปเกาะติดกับกลุ่มที่เขาเรียนเก่งเดี๋ยวก็เก่งตามเขาได้แต่ถ้าไปเกาะติดกับกลุ่มที่เรียนไม่เก่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยิงไปกันใหญ่ฉันใดการมีเพื่อนเขาเรียกว่าการละยานมิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าได้เพื่อนที่ดีเพื่อนที่เก่งเพื่อนที่ฉลาดกับเราเขาจะดึงเราเช่นครูบาอาจารย์นี่ก็ถือว่าคนเป็นเพื่อนของเราเหมือนกันเป็นการละยานมิต ทางธรรมเพราะท่านจะดึงเราท่านจะลากเราชวนเราให้ไปสู่ที่สูงที่ดีกว่าที่เราอยู่ในตอนนี้ดันั้นเราก็ต้องเลือกถ้าเราเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องเอาเท่าที่เราได้ไปก่อนเท่าที่เรามีไปก่อนแล้วก็พยายามปฏิบัติเท่าที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ เน้ตอบคําตอบก็คือบวชที่ไหนก็ได้อันนี้ถ้าบวชแบบนอกรูปแบบนะถ้าบวชพระก็ต้องไปบวชที่วัดนไปบวชที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวก็หาว่าเป็นพระปลอมแต่ถ้าบวชชีบวชือสินแปดเสื้สิบนี่บวชที่ไหนก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้มีอีกมีลองลองมาดูเลยใช่ค่ ะ, ะดังไหมคำถามจากคุณประทุมวันค่ ะ, ะลและผมอยากทราบวิธีพิจารณาสุภะรับ ก็ให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูตอนที่ร่างกายตายร่างกายนี้มันนอกจากเป็นแนละ้วมันก็ต้องตายด้วยใช่ไอมมันไม่ได้เป็นไปตลอดใช่ไหอต่อไปมันก็ต้องกลายเป็นผีใช่ไหมถ้าเห็นร่างกายว่าเป็นผีเราอยากยังยังอยากจะไปได้เข้ามาเป็นแฟนหรือเปล่าแต่เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นผีกันใช่ไหมเพราะเราไม่เคยไปดูภาพที่ตอนที่เขาเป็นผีว่าเป็นยังไง อันหนึ่งสอนให้ไปดูซากศพกันพวกเราทุกคนต่อไปต้องกลายเป็นผีกันหรือเปล่าจะอยู่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นผีเดี๋ยวยองไม่ยัถ้ายังไม่เป็นผีก็ต้องแก่เวลาร่างกายแก่แล้วนี่น่ารักน่าดูไหมหรือถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะรอตอนแก่ตอนตายก็ต้องดูของที่มีอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง ตอนที้ร่างกายเรามีอะไรบ้างนอกจากผมคนเล็บฟันหนังที่เราเห็นด้วยตาแล้วถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็ต้องเห็นเนื้อเห็นเอ็นใช่ไหมเห็นกระดูก เ, เห็นปอดเห็นไตเห็นตับ เ, เห็นลำไส้เห็นน้ําต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหงือน้ํามันขน้นน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกก็พิจารณาการสาสบสองนึกถึงวาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายของคนเรา ถ้าเห็นเห็นอาการต่างๆเหล น, นี้มันก็จะไม่เห็นว่าร่างกายไม่สวยงามเลยเราให้เป็นนางงามจากประวาลหมือเป็นในแบบเป็นดาราภาพยนตร์แต่พอถ้าเราดูเข้าไปข้างในดูไปเข้าไปใต้ผิวหนังเขาแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกคนนี่คือการพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามคําว่าอาสุภาษะแปลว่าไม่สวยงามสุภาะแปลว่าสวยงามอาสุภาะก็ว่าไม่สวยงาม วิธีดูความไม่สวยงามของร่างกายก็มีดูได้หลากหลายวิธีเช่นดูตามที่ร่างกายกลายเป็นสร้างศพสมัยพุทธกาลนี่เขาไม่เผากันเขาไม่ฝังกันเข้าศพไปทิ้งในป่าชา้พาพระก็เลยไปเยี่ยมป่าช้ากันไปดูศพที่ตายใหม่ตายเก่าไปดูศพที่ถูกแมงกากดกินไปดูศพที่กระจัดกระจายแขนไปทางขาไปทางศีรษะไปทาง เพราะมีแรงกามากัดมากินมีสุนัขมีจิ้งจอกอะไรนี่มากัดมากินร่างกายกันนี่ก็คือการดูความไม่สวยงามของร่างกายดูเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไปรักร่างกายของใครเพราะเราก็ไม่หลงรักผีกันผีที่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นคนแต่เดี๋ยวไม่นานก็กลายเป็นผีเวลาแฟนเราไม่หายใจแล้วเรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านเราหรือเปล่า ยกให้สับปเปล่าอะไรใช่ไห ม, มแต่วเวลายังหายใจอยู่นี่ต่อให้ใครมาขอซื้อก็ไม่ขายมไม่ให้ใช่ไห ม, มต้องนึกถึงตอนที่เขาเป็นผีพอเขาเป็นผีแล้วเราก็ไม่อยากได้พอเป็นซากศพแล้วเราก็ไม่อยากได้การอารมก็จะดับไปความรักเขาก็จะหายไปความหวงเขาก็หายไปความห่วงก็หายไป เสียละเครื่องเนี่ยนี่คือการพิจารณาสุภามีหลากหลายวิธีแล้วแต่จะชอบแบบไหนดูตอนตายแล้วก็แล้ถ้าดูตอนอยู่ก็ดูตอนที่ตอนแก่ก็ได้ตอนที่ไม่สบายก็ได้เวลาไม่สบายนี่มีใครหน้าตาน่าดูบ้าหน้าตาเหี่ยวแห้งผมเเพ้วไม่วี่ะ เมื่อมองมองเข้าไปภายในใต้ผิวหนังกั น, น, นคุณทารประคุณพัฒนาครภาวนาโดยดูลมหายใจเข้าออกที่จมูกแล้วจมูกก็หายไปต้องทำอย่างไรต่อคะพอจมูกหายไปแล้วไม่รู้จะจับลมตรงไหนก็ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับความว่างไปอย่าให้ใจคิดให้มีสติสัจจะว่ารู้ไป อย่าพยายามวิ่งหาลมเน้ออย่าพยายามควายคว้าหาจมูกให้รู้ตางความเป็นจริงรู้ว่าตอนนี้จมูกหายไปรู้ว่าลมหายไปให้รู้ต่อไปให้รู้เฉยเฉยอย่าคิดปรุงแต่งก็แล้วกันคำถามฝากถามค่ะเวลานั่งสมาธิพอจิตเริ่มวิ่งแล้ว สักพักจิตมันก็จะวนดูรอบใบหน้าและศีสัจเหมือนอยากจะเจาะเข้าไปดูข้างในมันเป็นจิตที่เราปรุงขึ้นหรือเปล่าคะจะต้องแก้ไขหรือต้องเพียนดูกายใจอีกอย่างไรคะคือการทําสมาธินี้เป้าหมายหลักของเราก็คือเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบพอมันนิ่งมันสงบแล้วถ้ามันอยากจะไปดูไปเห็นอะไรเราอย่าเพิ่งปล่อยให้มันไป ดึงมันไว้ให้มันอยู่กับความสงบไปก่อนเพราะเราต้องกา ร, รต้องการสร้างฐานสร้างบ้านให้กับใจเราก่อนให้ใจเรามีที่อยู่ที่อาศัยให้มีความสุขก่อนพอใจเราสร้างบ้านเสร็จแล้วคือเราสามารถอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลานานมีความสุขกับความสงบแล้วถ้าใจอยากจะ อ, ออกไปพิจารณาก็ปล่อยให้มันออกไปพิจารณาได้ จะออกมาด้วยการออกจากสมาธิมาเดินจงกรมก็ได้หรือจะนั่งอยู่ในสมาธิแล้วก็พิจารณาก็ได้แล้วแต่แต่ในเบื้องต้นนี้ถ้าเรายังสร้างบ้านไม่เสร็จควรจะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนคือบ้านพักอาศัยไว้เป็นที่เราพักผ่อนหลับนอนเพราะเวลาเราที่ออกไปพิจารณานี้ใจของเราก็จะเหนื่อยได้แล้วก็จะต้องกลับมาหาที่พัก ถ้าเราไม่มีที่พักมันก็จะไม่มีที่ทําให้มันหายเหนื่อยมันก็จะไม่สามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันจะหมดแรงเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นถ้าเราอยู่ในขั้นการสร้างสมาธิก็ขอให้เราพยายามทําใจให้สงบอย่างเดียวไปก่อนจะดีกว่าให้มันสงบนานๆให้มันสงบได้เกือบทั้งวันอย่างนี้ถ้าเราสามารถ สั่งให้มันสงบได้ตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เราค่อยมาพิจารณาร่างกายพิจารณาว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายหรือเปล่าถ้ามันแก่มันเจ็บมันตายก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงเวลามันตายไปแล้วมันกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็แสดงว่ามันไม่มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟ มันสวยหรือไม่สวยมันน่าดูหรือไม่น่าดูเวลามันตายแล้วเวลามันอยู่ถ้าดูเข้าไปข้างในดูภายใต้ผิวหนังมันน่าดูไหมแล้วดูเวลาที่เราเติมมาแล้วเราไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทําอะไรมันน่าดูรึเปล่าให้ดูจะได้เห็นว่าความจริงของร่างกายถ้าปล่อยโดยที่เราไม่ได้ไปดูแลรักษามันนี่มันไม่น่าดูเลย เราไม่อาบน้ําอยู่สักสามวันดูจะน่าดูไหมคนยากจะเข้าใกล้ไหมไม่อาบน้าไม่หวีผ้าหวีผมเหมือนกับคนที่เสียสติเนี่เขาไม่สนใจดูแลร่างกายเขาเนี่ยถึงแม้อดีตก็อาจจะเป็นดาราภาพยนตร์หรือเป็นแรงงานแต่พอเสียสติแล้วไม่ดูแลร่างกายเขาไม่อาบน้าอาบถ่าไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่หวีผ้าหวีผมมันก็ดูไม่ได้แล้ว อันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายที่เราควรจะทำหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วหรืออย่างน้อยถ้าจะทำก็ทำตอนที่เราออกจากความสงบแล้วตอนที่จิตสงบอย่าไปทำอะไรให้มันสงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พอออกจากความสงบแล้วถ้ามันจะไปคิดด้วยเปื่อยก็เอามาคิดทางปัญญาก็ได้หรือถ้าจะ ก, กลับมาให้หยุดคิดก็ได้ใช้สติหยุดมัน เพื่อจะได้เสริมกําลังของสมาธิให้มีกําลังมากขึ้นไปก่อนให้สมาธิมันได้เต็มร้อยก่อนก็ยิ่งดีอ่ะเพราะเมื่อมีสมาธิเต็มร้อยแล้วจิตจะมีพลังมากมีอา น, นิสงส์มีประโยชน์มากจะใช้จะสามารถสนับสนุนปัญญาในการที่จะมาต่อสู้มาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆได้งั้นถ้าอยู่ขั้นสมาธิอย่าเพิ่งไปกังวลกับเรื่องของการไปรู้อะไรต่างๆ ถ้าจิตมันอยากออกไปรู้ต้องหยุดมันหนึ่งมันกลับเข้ามาให้มันอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างอยากไปรู้อาการต่างๆที่มันผลิตขึ้นมาหรือหรือสิ่งอื่นเข้ามาอาการต่างๆนี่มันอาจจะเกิดจากการผลิตของจิตเองก็ได้หรือเกิดจากสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวเข้ามาก็ได้แต่มันจะมาทางไหนก็เหมือนกันมันไม่เป็นประโยชน์มันจะทาให้ใจเราไม่สงบ ฉะนั้นอย่าไปสนใจถ้าเราอยู่ในขั้นของการฝึกสมาธิพยายามให้ใจว่างให้ใจสงบจะดีกว่าจนกว่าเราจะได้สมาธิเต็มร้อยหรือว่าจนกว่าเราจะออกจากความสงบแล้วตอนนั้นเราจะมาใช้ความคิดในทางปัญญาก็ได้หรือไม่ฉะนั้นเราก็ใช้สติหยุดความคิดเพื่อให มีกำลังสติมีกำลังสมาธิมากขึ้นไปก็ได้ทำได้สองอย่างในขณะที่ออกจากความสงบแล้วในขณะที่อยู่ในความสงบนี้อย่าไปทำอะไรอย่าไปพิจารณาอย่าไปรู้เห็นอะไรถ้ารู้เห็นก็ดึงกลับเข้ามาที่ความสงบที่ความว่างอย่าไปตามรู้คำถามสกุลอัญชนาะหนูฝึกโยคะแล้วมานั่งสมาธิต่อ นั่งสมาธิต่อเลยรู้สึกว่าลมหายใจสบายและทุ้งซ่าขนขณะนั่งน้อยลงผิดไหมคะไม่ผิดหรอกเพราะการทําโยคะก็เป็นการฝึกสติไปในตัวด้วยเหมือนกับการเดินจงกรมเวลาทําโยคะเราก็ต้องมีสติอยู่กับท่าที่เรากํลาลังทําอยู่มันก็เป็นการฝึกสติเมื่อการทําโยคะนี่ก็ทำทั้งเป็นการทําเพื่อจิตใจและร่างกายเหม้มอนกัน ร่างกายก็ได้รับการาผ่อนคลายอิเลีบทต่างๆได้การาทำรูปบำรุงรักษาจิตใจก็ได้สติเพราะใจจะต้องคอยเฝ้าดูว่ากำลังทำอะไรอยู่ในท่านั้นพอามานั่งสมาธิมันมีสติมันก็เลยสงบง่ายนั่งแล้วสบาย แต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติมาก่อนพอมานั่งจิตยังคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้อยู่นั่งก็จะรู้สึกอึดอัขึ้นมาคำถามสกุลพิทยาเวลาปฏิบัติแล้วเกิดความท้อแท้ควรแก้ไขยอย่างไรครับก็ก็หยุดความคิดนั่นสิถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธได้ก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดยิ่งคิดก็ยิ่งท้อแท้ใหญ่นะ ถ้าจะคิดใกลคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจา้าว่าท่านก็ต้องท้อแท้ท่านก็ต้องเจออุปสรรคเหมือนกันแต่ท่านไม่ยอมแพ้ท่านก็ทําพยายามทําต่อไปวันนี้อาจจะทําไม่ได้มากเพราะมีกําลังน้อยก็ทําไปแต่อย่าเลิกทําอย่าอย่ายกทงขาวอาจจะทำบ้ามากบ้างน้อยบ้างตามกาลังของแต่ละวัน บางวันมีกําลังใจมากความท้อแท้น้อยก็ทํามากวันไรวันไห L นไหมีกําลังใจน้อยท้อแท้มากก็ทําน้อยหน่อยหรือพักชั่วงข่าวก็ได้แต่อย่าเลิกเท่นั้นเองขอให้ถือว่ามันเป็นเหมือนกับการต่อสู้กันบางทีก็โดนเขาโดนหมัดเขามันก็เลยมึนก็อาจจะไม่มีกําลังใจแต่พอบางวันเราได้ต่อยเขาบ้าง แลมันก็ทำให้เรามีกำลังใจเราก็อาจจะปฏิบัติได้มากขึ้นก็ขอให้ถือว่าการความท้อแท้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่เป็นความไม่เที่ยวเกิมาแล้วก็ไปเป็นอารมณ์ชั่วคราว ถ, ถ้าเราไม่ไปส่งเสริมมันถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันพอมันท้อแท้เราก็พยายามอย่าไปคิดถึงความท้อแท้นั้นให้เรากลับมาที่พุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไป เดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องความท้อแท้ไปได้คำถามจากคุณหนุ่มหนิงค่ะดวงจิตเราในชาตินี้เป็นดวงจิตอันเดียวกับดวงจิตในภพชาติที่แล้วแล้วที่เกิดหลายภพหลายชาติหรือเปล่านีคะดวงเดียวกันน่ะละเหมือนร่างกายอันนี้ที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยมันก็ร่างกายอันเดียวกันนี่นแหะแต่เสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนก็คนละชุดกัน ร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของดวงดจิตของเราดวงจิตของเราก็มาเปลี่ยนร่างกายไปเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าชาตินี้ก็มาได้ร่างกายอนันนี้เดี๋ยวร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไป <c oughs> ได้ร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แต่ตัวเราคือดวงจิตนี่เหมือนเดิมเคยรักเคยชอบอะไรก็เหมือนเดิมเคยโกรธเคยเกลียดอะไรก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง เคยฉลาดก็ฉลาดเหมือนเดิมเคยโง่ก็โง่เหมือนเดิมเคยขยันก็ขยันเหมือนเดิมเคยขี้เกียจก็ขี้เกียจเหมือนเดิมนี่คือดวงจิตของเรามันไม่ได้เปลี่ยนไปกับความตายของร่างกายคำถามของท่านที่ยาวๆนะคะช่วยกรุณาย่อและส่งมาอีกครั้งหนึงนะคะคำถามสกุณเสริมศาร์ ผมไม่เคยฝึกสมาธิในชาตินี้แต่ได้ฟังทาพ่อแม่ครัวอาจารย์เกิดรู้สึกตัวขึ้นปัจจุบันก็ภาวนาดูกายดูใจทั้วันหลงบ้างจะพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างไรครับก็ต้องดูอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าดูกายดูใจให้เอาอย่างเดียวต้องฝึกสติก่อนถึงจะถึงจะได้สมาธิแล้วถึงจะไปทางปัญญาได้เรื่องตอนนี้ให้เราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน จะอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปทั้งวันจะอยู่กับร่างกายก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายไปทั้งวันอย่าไปดูอย่างอื่นดูอย่างเดียวเพื่อจิตจะได้หยุดคิดไม่ต้องการให้จิตคิดปรุงแต่งแล้วพอเรามีสติเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้อย่างสบายไม่รู้สึกอึดอัดและนั่งได้นานจิตจะสงบได้นานเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิ พอเราได้ความสุขแล้วทีนี้เราก็ออกจากสมาธิมาเราก็มาศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาศึกษาสิ่งต่างๆที่เรายังรักยังชอบอยู่ว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับเรากันแน่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วเราก็จะได้เลิกไปแสวงหาสิ่งต่างๆแบบที่เราเคยแสวงหามาเมื่อก่อนนี้ นี่คือแนวทางการปฏิบัติที่จะพาให้เราเก้าวไปสู่ความสาเร็จตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางวางแบนไว้ทคำถามจากคุณนันทนาอยากมีเวลาอยู่วัดปฏิบัติธรรมตอนนี้เลือกเที่ยวเลือกดูหนังเลือกแต่งตัวแต่ยังกลัวไม่มีเงินใช้ตอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในอนาคตจึงยังต้องทํา ง, งานยังเสียดายเงินเดือนสูงๆ ยัจะวางแผนอย่างไรดีคะก็คิดว่าความตายจะมาพรุ่งนี้ก็ได้ทำให้ใครคิดว่าเราจะตายกันบ้างมีอะไรรับประกันว่าเราจะไม่ตายกันบ้างถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ไปนานๆมันก็จะทําให้เราวิตกกังวลขอให้เรเอาวันต่อวันดีกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้ดังนั้นก็อย่าไปกังวลอยู่แบบนกก็ได้นกก็าไม่กังวลเลย ก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีที่เก็บเก็บกับข้าวกับปาอาหารเขายังอยู่ของเขาได้ไถ้าเขาหากินเงนินได้พรุ่งนี้เขาก็หากินของเขาได้พรุ่งนี้เนี่ยพระก็อยู่แบบนกเนี่ยพระเจ้าให้พระอยู่แบบนกไม่ให้สะสมเก้าของเงินทองอาหารก็ไม่สะสมอาหารที่ได้มาวันนี้พอกินเสร็จแล้วที่เหลือก็ยกให้คนอื่นไปเสียสละไปไว้พรุ่งนี้ก็หาใหม่ ชีวิตเราก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันยาวเกินไปเลยมันอาจจะไปไม่ถึงที่เราคิดก็แหาเงินมาถ้าเป็นแทบตายแล้วไม่นเกิตายไปซะก่อนไม่ได้ใช้เงินหาพออยู่ได้ในระยะสั้นๆ น, น, นี่ก็พอเอาสักแค่ปีหนึ่งก็พออย่าไปคิดให้มันยาวไปกว่า น, นั้นเลยถ้าเราหาเงินปีนี้ได้เดี๋ยวปีหน้าเราก็หาของปีต่อไปได้ถ้าหาไม่ได้ก็ถือว่าเวลาตายแล้วก็คิดว่ามันก็มีท่านั้นแหละ มันต้องคิดว่ามันต้องตายมันจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วหันคิดว่ามันจะตายเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะตายแล้วเราจะได้สละสิ่งต่างๆได้เลิกทํางานได้หาเงินสักก้อนหนึ่งพอใช้ได้ปีสองปีก็พอแล้วไปปฏิบัติปีสองปีนี่เดี๋ยวก็บรรลุละถ้าปฏิบัติจริงๆองค์ทานเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนก็บรรลุได้ ข, อขอ้าพเจ้าสกุณนารา ประโยชน์ของการฝึกจิตฝึกสติฝึกสมาธิเจริญปัญญาคืออะไรครับก็จะได้ความสุขระดับหมื่นล้านแสนล้านนั่นสิเป็นความสุขที่เงินทองจะซื้อไม่ได้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวงคำถามจากคุณบุ๊กกี้ถ้าเรามีปัญหากับใครเราขอโทษขอขมาเขาต่อหน้าพระรัตนตรัยได้อโหสิกรรม ตอบหน้าพระธนาตายแต่เราไม่ได้ไปขอโทษเจ้าตัวเขาเองเพราะคลัวจะมีปัญหาให้จบกันอย่างนี้จะยังมีเวรมีกรรมกับเขาไหมคะเ อ, อ่มีปัญหากับใครก็ต้องไปพูดกับเขาเสร็จไปพูดกับคนนี่ก็ไม่มีปัญหามันจะไปแก้ปัญหาได้รยังไงเนี่ยก็ต้องมีปัญหากับใครก็ไปคุยกับเขาไปขอขมาเขาเอาดอกไม้ทูกเทียนไปกราบเท้าเขาเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขา เขาจะให้อภัยหรือไม่ก็เรื่องของเขาเราบังคับเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ขอขอแสดงความเสียใจขอแสดงความเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเพียงจะ บ, บอกให้เขารู้ว่าเราไม่มีอะไรกับเขาแต่ถ้าก็ยังมีอะไรกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้คำถามสุขุอัศนีพรการดูลงหายใจเมื่อเกิดเวทนา การดูลมหายใจเมื่อเกิดเวทนาก็ตามดูเวทนานั้นจนเวทนาหายไปเมื่อได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกให้ดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจเรื่องอื่นอะไรจะเกิดอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ของจริงต่างๆมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเองคำถามสกุลเจเจเวลานั่งสมาธิแล้วชาเมื่อที่ขามากขึ้นเรื่อยๆ ควรจะทำอย่างไรคะจะทำจิตให้หนิ่งต่อไปโดยไม่สนใจอาการชาหรือหันมาพิจารณาขาที่ชาต <c oughs> <c oughs> ่าคะก็ให้ดูให้นั่งต่อไปให้ดูลมต่อไปถ้าเราใช้ลมก็ดูลมไปถ้าเราใช้พุทธโธก็พุทธโธไปไม่ต้องไปสนใจกับความชาของร่างกายมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันไปคำถามจากคุณเฉลิมพล ในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีบุญพอควรแต่ทําไมบางคนยังมีจิตใจเหมือนสัตว์ร้ายสามารถฆ่าคนได้โดยไม่รู้สึกผิดครับ อ, อ๋อไม่เหรอการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้สแสดงว่าบุญบุญกับบาปที่เราได้ทําไว้มันบมดกาลังที่เราที่จะดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปอบายเท่านั้นเองพวกที่ไปใช้กรรมในนรกในอบายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่ไปรับผลบุญที่สวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพียงแต่กลับมาแล้วก็มีนิสัยต่างกันพวกที่มาจากสวรรค์ก็จะเป็นพวกใจบุญพวกชอบทําบุญทําทานพวกชอบรักษาศีลพวกที่มาจากกระบายก็เป็นพวกที่ไม่พวกชอบทําบาปดังน้นเราถึงมีมนุษย์หลากหลายด้วยกันมนุษย์ใจบุญก็มีมนุษย์มนุษย์ใจบาปก็มีเพราะว่ามามีที่มาต่างกันพวกที่ก็ปล่อยออกมาจากคุก กับพวกที่เขาส่งกลับมาจากไปเที่ยวทัวร์ต่างประเทศเนี่ยมันต่างกันไหมพวกที่ไปไปทัวร์ต่างประเทศเพราะพวกนี้ขยันทํางานหาเงินให้บริษัทได้เป้าเขาก็ส่งไปเที่ยวมือนอกกันใช่ไหมคนนี้กลับมาเขาก็กลับมาขยันทํางานกันต่อพวกที่ถูกไปจับขังในคุกเข้าไปลักขโมยไปทําผิดกฎหมายพอเขาปล่อยออกมาจากคุกก็เดวก็ไปทําผิดกฎหมายอีกอนะทัศนิษฐ์เดิมมันยังไม่ได้ถูกกําจัดด้วยการติดคุก นี่ก็คือลักษณะของจิตใจที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาทุกสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเมื่อหลังจากที่ไปใช้กรรมใช้บุญหมดแล้วมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อพวกที่ชอบทำบาปเคยทำบาปก็จะกลับมาทำบาปต่อพวกที่เคยทำบุญก็จะกลับมาทำบุญต่ออย่างพวกเรานี่มีใครสอนมีใครสั่งให้มาทาบุญไมเพราะอยากจะมาเพราะชอบทาบุญ ตรงที่ไปบ่อนไปซ่องไปบาไปผับเนยมีใครบังคับให้เขาไปหรือเปล่าเขาไปเขาก็าาชอบเขาเคยทำอะไรเขาเคยชอบอะไรเขาก็ไปทำอย่างนั้นแต่เราเปลี่ยนนิสัยได้ถ้าเรามาพบธรรมะแล้วได้ยินได้ฟังว่าการไปบาไปผับนี่ไปเล่นการพนันนี่มันไม่ดีเราฝืนได้บังคับใจเราได้ การมาวัดดีการทำบุญทำทานการทาเทศทัธรรมดีถ้าเราไม่เคยทำเราก็ฝืนบังคับให้มันทำได้พอเราบังคับมันทำไปสักระยะต่อไปมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาคำถามจะคุณชนะตนเมื่อก่อนคิดถึงผู้เรื่องตายยังไม่สบายใจเพราะไม่รู้ตายเราจะกอะอะไรจะไปไหนตอนนี้คิดได้บ่อยๆทั้งเราและเขาว่าต้องตายทุกวันใจเฉยเฉย เรื่องเจ็บปวยก็คิดทุกวันถ้าเป็นมะเร็งจะรู้สึกยังไงคิดให้ใจยอมรับนี้เป็นที่จริงตามมรรยาพยาใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้ภาวนามรรยาญยาแล้วเกิดเหตุการณ์จริงเราจะวางใจให้เฉยได้เหมือนที่ฝคยคิดทุกวันจะไปสุกติได้ไหมคะถ้าทาใจให้เฉยไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกําลังที่จะสู้กับติเลกคือความกลัวความอยากความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายอยู่ แต่ถ้าเรามีกำลังที่จะสามารถหยุดความอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บได้เวลาเจอความเจ็บเจอความตายเราก็จะเฉยได้คำถามสกุลนะพลกฎหมายกับธรรมพุทธองค์ศึกษาอันไหนทำให้โลกสงบสุขกันครับธรรมกับมุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนเป็นธรรมที่ทำให้โลกสงบสุขกฎหมายของทางโลกนี้บางทีก็ยังเป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง กฎหมายสมัยก่อนที่เขาแยกแยะคนระหว่าง Minuten. ทาสกับคนที่ไม่ใช่เป็นทาสอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมนะเพราะหลักศีลธรรมมนุษย์นี้ต้องมีความเท่าเทียมกันนะจะมาทํากฎหมายยากว่าเป็นทาสทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นทาสทำอย่างนี้ได้อันนี้เป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามหลักธรรมยังหลักธรรมนี่เป็นกฎหมายที่แท้จริง ส่วนกฎหมายทางโลกถ้าอ้างอิงหลักธรรมก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ถูกต้องถ้าไม่อ้างอิงหรือขัดต่อหลักธรรมก็ถือว่าไม่ได้เป็นกฎหมายที่ถูกต้องคำถามเ อ, ห, อหมดพอดีเวล า, าก็หมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมอ้าว <c oughs> ยกมาคือมาดัวการสามสิบสองนะเจะา้าข่าจะต้องจะต้องเอ่อต้องดูต้องเอ่ออะไรนะคะ ผมขอเรื่องฟันหนังค่แล้วจะต้องเรียนลำดับหรือปล่าคะก็เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้เราชอบดูอาการไหนดูแล้วมันขยะขยั่งดีก็ดูดูลำไท้เลยก็ได้ถ้าไม่อยากจะดูเอดูเพื่อให้มันเกิดอาการขยะขยั่งเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของคนที่เราหลงคลั่งไครหลงไหลก็ไปเปิดภาพที่เขาพาศบดูก็ได้ ดูข้างในดูที่เห็นหลายๆอาการเลยเห็นตับตายไส้พุงเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นอะไรแล้วพยายามมานึกก็มคิดอยู่เรื่อยๆเวลาไปรักใครก็นึกถึงอาการภาพเหล่านี้ขึ้นมามันจะได้หยุดความลหลงรักหลงหลายข้างใครรักเขาได้เราจะได้อยู่คนเดียวไม่เหงาที่มันเหงาเพราะเราอยากจะมีแฟนแต่ถ้าเรา